ตระแหน่ถ้าได้ยินได้วังเป็นพาหุตญาถ้าได้ยินได้วังมากๆแล้วก็เกิดเป็นมงคลชีวิตมาในมงคลชีวิตว่าพาหุาสัจญาสิทธิ์พันญาถ้าได้ยินว่งนางได้ฟังมากๆมันเป็นมงคลโอ้มีความรู้เอาตัวรอดได้แต่พาหุตญาละข้อที่หกมีจาระ กรมาเข้ากันกับสารวาตรธรรมนั่นาองยาภามีการเสียตนละเหมือนกันมีจาภาแล้วถ้ามีจาภาเฉยแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่ดีอีกถ้ามีปัญญาปัญญารู้เหตุรู้ผลถ้าเราจาภะในสิ่งนี้บริจาคในสิ่งนี้จะเป็นคณเป็นประโยชน์ ต่อสังคมหรือเป็นโทษเป็นภัยต่อสังคมหรือเปล่านาะคิดสะกอนอะไรมันเป็นโทษเป็นภัยต่อสังคมเราจะไม่วอริจกกักมาได้ออที่วอริจกักสมาะโจรเหรอเนี่ยสมาะผู้ทุจริตเหรอเนี่ยมันไม่ดีนะส่งเสริมคนไม่ดีเราใช้ปัญญาของเรา ถ้าส่งเสริมคนไม่ดีให้มีกำลังขึ้นความเดือดร้อนก็จะมาสู่สังคมไว้ เ, เราก็จะเป็นของเราอีกปีหนึ่งใช่ไหมเา่าเป็นกัะป๋นีเรียมอาปัญญาพ่อสุดท้ายนี้คิดดูสิจะจริงอย่างท่านว่าหรือเปล่าอย่างคนไม่มีสัทธาเลย คนไม่มีศรัทธากับเขาซะเลยจะพอใจในการรักษาดินได้อย่างไรจะทำบุญอย่างอื่นได้อย่างไรถ้าไม่มีศรัทธาจะไปนั่งสมาธิภาวนากับเขาได้อย่างไรถ้าไม่มีศรัทธาจะมานลัยควางเทศความธรรมอย่างนี้จะมาได้หรือเปล่าถ้าไม่มีศรัทธาเพราะดั่งศรัทธาจิงเป็นเบื้องต้น เป็นบันไดขั้นไปสวรรค์เที่ยวทองนะศรัทธานี่สำคัญว่ า, าถ้าไม่มีบันไดไ ต, ต่เต้าไปลงไปไม่ได้บันไดเื้องต้นอยู่ที่เอ่อยู่ที่ศรัทธาความเชื่อแต่อาไัยว่าศรัทธา น, นั้นมีปัญญาไปพร้อมด้วยเป็นดี มียามีความรูม้มีพร้อมควรจะดีสัตายาณสัมปยุตถ้าเกิดสท้าความเชื่อที่เฉยอาจจะเป็นยาณวิปยุตก็ได้เออสัตายาณวิปยุตก็ได้สต้ า, า, ไสาไม่มีความร<ม>ู้เพียงเตี้ยสทาก็เชื่อไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะอยากมาเชื่อพอระเยซูจะมาช่วย อย่พระเยซูจะรับเอาว่าอย่างเนี้เชื่ออย่างนี้เชื่อไม่มีเหตุมีผลกันด้วยออไม่มีปัญญาเรียกว่าสตนานญาณวิประยุทธ์เชื่ออย่างไล่อความรู้เชื่ออย่างไม่มีญาณอย่างรู้เหตุผลเลยเชื่อไปยเฉยๆว่าเราเป็นผู้ทําบาปแต่พระเยซูจะรับเอาหมด เพียงแต่อาบน้ำตอนนั้นก็จะหมดบาปแล้วล้างบาปแล้วอะไรเนี้ยเชื่อไปอย่างนี้เรียกว่าสรทา ญ, ญาณวิบยุทธ์เลยไม่เป็นกบไมยุตธ์เลยน้ํามันเป่าล้างของสกบกภายนอกแล้วจะไปล้างของสกบกภายในได้ยังไงล้าน้ําน้ํำมันล้างเหงื่อล้างไข่ล้างดินสกปรกเปื้อน เสื้อผ้าอาภนออกได้เรามาใส่กดดานบางอย่างมาช่วยเขา้าสมูทแฟบหรืออะไรมาช่วยเขา้าขยี้ขยำ ม, มันเขา้า่ของสกปรกเหล่านั้นมันก็ออกเก่งอยู่ล้างออกได้แต่ว่าความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจจะเอาน้ํามาล้างให้มันเบาบางมันจะได้หรือเปล่า เออคิดเอาดีเราไม่มีวันไม่มีวันที่จะล้างออกได้แล้วความโลภความโกรธความหลงอยู่ในหัวใจเหยาน้ำมาล้างเฉยมันจะได้อย่างไรมันต้องประพฤติปฏิวัติตอนเดเออขัดตาวันจะ่อนเดอเครื่องพอกเครื่องล้างมันมีต่าง ความโลภความโกรธความหลงมันมีเครื่องครอบเครื่องล้าเครื่องกัดเครื่องเกาเครื่องทำความสะอาดมันมีต่างพระพุทธเจ้าบ <oss t oss> ัญญัติไว้ให้แล้วเออทานังเทติเนศีลังลักติเนภาวนานังกเวตกวาเนเอกจโยสะขังกัตติเอกจโยโมกขังกัตติ นิสังขยังเนื้ออันนี้เป็นเครื่องชำระตายวาจาใจที่มันกบกรบด้วยกิเลสปาประธรรมทั้งบวงออกได้ทานนั่งเทติชำระอะไรละ่ะชะละชำระความตรนีขี่เหนียวของจิตใจเหนียวแนมหัวแห็ง ตินโลกมัดเข็ธรรมำอันน่าเกลียดมากถ้ามีกับพ่อกับแม่ลูกเจ้าก็อาจจะเกลียดทางพ่อแม่ก็ได้ถ้ามีกับผัวภรรยายก็อาจจะเกลียดผัวก็ได้ถ้ามีกับภรรยาภรรยาแตสามีก็อาจจะเกลียดทางภรรยายก็ได้ถึงว่ากิเลสอย่างยากถ้ามีกับภูรยยิภัณฑ ลูกซิคก็อาจจะเปลียนโววาทานก็ได้ความเด็ดีที่เหนียวถึงเป็นกินเลสอย่างหยาวน่าเกลียด น, น่ากลัวมากน่าดังมากเาพราะฉะนั้นจงกำจัดมันเดียเด้วยพรเนื้อานางเบงกิดอนั้นถ้าทำทานบ่อยเสียสละบ่อย ความจะดีทีเดียวต้อไปจะบเบาไปเบาไปเอกไ้ไจนกลายเป็นผู้ไม่มีความจะดีก็เลยอย่างนี้ในขั า, ษษษานพุทธการนยยกนางวิสาถามาหาอุปติกาเป็นตัวอย่างทำมาจนไม่มีความจะดีเลยนี่ทำแต่เสียใจที่ไม่ได้ทำแล้วนั่นเพราะท่านเป็นเศรษฐี เป็นลูกสบายเสรษท่านจะทําเอาสงใจสายใจแต่ถึงจะนั่นก็ทุกถูกคัดทานคัดทานหลายข้างหลายลาเออจากแม่หัวพ่อหัวภูพญาไม่ดีด้วยอแต่นั่นต้องไม่ลดละความพยายามเอาจนชนะใจของพ่อหัวจนได้ เมื่อจันใจพ่อหัวแล้วที่นี่ก็ตักตัวงเงาทานะบาลวีเต็มที่จนไม่มีความแต่มีทีเดียวในหัวใจเลยแค่แต่น้อยอแล้วก็สมัยในข้างนั้นก็มีหลายนั่นหลายคนเป็นผู้ชายกนะ็อานาธามบินินมหาเศรษฐีนั่นก็เหมือนกันธรรมะานั่นเป็นต้น จนอาวสานาของชีวิตทำให้จิตใจน่ะหมดจากอาสวะกิเลสคือโลกปจัจจีิเม็ต์มาเสรธรรมนี้โดยสิ้นเชิงไม่มีของเลยอย่างนี้ถ้าเรานั้นจึตไปสวรรค์กันได้ชื่อชิ่ออาสวะได้เพราะตัดกิลเลสเหล่านี้ตายจริงๆมีหลายๆท่านนะเราก็จำชื่อไม่ได้ อ่าเศรษฐีอะไรหลายๆเศรษฐีอยู่บุคคลผู้มีเสียงสละอยังเอาบุรุษเข็นใจจะไปฟังเทศตัดอิเลของตัวออกได้อ่ตั้งแต่ปฐมวยญญาณจนมะจิมวิญาณก็ไม่ได้อ่าจนปุนปัญชิมวิยาณจึงตัดได้เด็ขาดเนตัดว่าเอาจะเลยเราจะบูชา ทำของพระพุทธเจ้าด้วยพ่าอืนนี้เอาไปถวายเลยไปถวายแล้วก็เราชนะแล้วชนะอารักีตังอะไรแต่ว่าปสิว่าไงว่าหาจะจำได้ดีว่าอารัตังเม่เจ้าชนะแล้วเราชนะแล้วจนพระเจ้าประเส็น ที่โกสนไปปราบ้าจึงมาใหม่ๆใครวะเราไปปราบมาถึงมาใหม่ๆทำไมพูดว่าเราชนะแล้วเราจะชนะแล้วมันววคือใครเป็นศัตรูหรือเป็นเพื่อนเรา่ะอเอาว่าซักใต้ไล่เลียงไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้ า, าพระเจ้ามีสามีภรรยามีผ้าหือเดียวเท่านี้เวลาภรรยาจะมาฟังเท่ ข็ให้ภรรยาถือมาหอมมาฟังแท้แข่งเนีนเขาหอมผ้ากันนะแค่นั้นนะ่ะถ้าภรรยากลับไปแล้วข้าพุทธข้าประมาสข้าพเจ้าจะมาฟังขอเอาผ้าผืนนี้มาอย่างนี้แหละปอะจัดขินใจตั้งแต่ผสมวิย ญ, ญาณว่าข้าพเจ้าจะเอาผ้าผืนนี้เอาไม่มีอะไรบูชาารร พ, พทำบูชาเจ้า มันก็ไม่จัดไม่ได้อยู่เหมือนนั้ น, นมันหวงมันสู้กันอยู่อย่างนั้นจนมัจจิมัมยามท่ากลางยามกลางแล้วยามสองแล้วก็ยังจัดสินใจไม่ได้พอมัจจิมัยยามจึงจัดสินใจได้เนี่ขาดจึงได้ไดปถวายมาเลยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงได้กล่าวว่าชีตังเมเอ่าชีตังเมขึ้นว่าข้าพระเจ้าชนะแล้วชีชนะแล้ว ขึ้นมาอย่างนี้พระเจ้าค่ะไม่ได้ชนะพระไพรหรอกข้าดึกดิเล็กภายในของข้าประมาทเองข้าพระพุทธเจ้าเองอย่างนี้โอ้พระเจ้าประเสรที่โกรนชอบพระไพรมาโอ้จนถึงขนาดนั้นยังมีอย่างนี้ลนะจิงพระราชทานทรัพ์ให้เป็นเท่าไหร่พระราชกานวายให้เท่าไรร้อย พระธานบริวารหัวให้มากมายเลยโดยอริสงบัยยัติธรมตาเนี่ยพระเจ้าเต็นที่โคสนเป็นผู้ประหลาดตาได้เองชอบใจว่าเป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดชนะข้าสึกคือกิเลสความกันดีที่เหนียวน่้จะได้นางเนรแต่หลายท่านและหลายคนที่เอาชนะกิเลสแบบนี้ก็มากมาย แต่ว่าในข้างพุทธการเราก็เพียงจะตำหรับตําลาฟังแต่ตำหรับตาราเท่านั้นไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเอามาปัจจุบันเดี๋ยวนี้คนยุค ป, ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ใครทําได้บ้างมีบางไม้ท่านเคยคิดบางไม้มีเห็นไหมเห็นอยู่แต่ไม่รู้นะ่ถ้าไม่รู้เราก็จะบอกให้ฟัง พอจะได้เข้าใจคือสมเด็จยาสมเด็จยาเหลยกพร ะ, ะบรมมาลาชนีพรัตนีศรีสังวรเนี่ยไปก่เกิดในตระกูลช่างทองเฉยๆไม่ได้เป็นเชื่อพระกษัตริ์โดยพระชาติาได้รับได้ แล้วมีบุญญาธิการพ่อแม่สรงให้ไปเล่าเรียนศึกษาในประเทศในต่างประเทศอังกฤษหรือเยอรมันหรือที่ไหนไปทั้งโน้นไปเรียนศึกษาเพราะสมัยนี้ฟาชารสงขาอะไรเนี่ยนักกรินท่านก็ไปเรียนเหมือนกันไปเรียนในที่ด้านเหมือนกันได้เห็นกันเราเป็นคนไทยด้วยกันก็เข้าใกล้คิด สนิดสนมกันเข้าเห็นอกเห็นใจกันเมื่อจบการศึกษาแล้วเลยขอแต่งงานไปขอศีสวานมาแต่งงานได้เป็นสะพายหลวงคราวนี้ต้เด่นยากก็ยิ้มใจว่าแหมคราวนี้เราได้เป็นสะพ้ายหลวงแล้วเราจะขอพรจากพระสวามีได้ทําอะไรเต็มที่หน้อย ขอพรจะทำอะไรอะไรไม่มีใครขัดขวางล่ะคงจะได้รับพรโอกาสดีเลยไปขอพรจากพระสวามีคือพระชนก ข, ของพระเจ้าแผ่นดินเนะ่ล่ะพระสวามีเป็นอะเป็นพระชายสงฆ์อะไรเด็เดชจนเดือนเราจำไม่ได้แล้วมองฉันขอ พ่อจาก อ, องค์บ้านจะขอพรเอาจะทําอะไรจะเอาอะไรอ่ะจะขอพรยังไงไม่ขอพร อ, อะไรมากมายหรอกมองฉันนี่เป็นตระกูลยากจนอยากจะทําบุญถึนทานอะไรสถูกจะพ่อกันแม่กันไว้ไม่ได้ทําสาใจเลยอยากทํามากๆ ก, ก็ได้ทํำน้อยไม่สาใจสักที จะสงเคราะห์ให้ข้าเป็นดินให้สาใจก็ไม่ได้ทำสักทองูพ่อกันไหว้แม่กันไหว้อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั่นข้าวหมอบประวาติหรือหมอมฉันอยากจะทำทานอะไรที่มันพอเป็นบุญเป็นกุศลได้ขอให้หมอมฉันได้กระทำเต็น ้าเต็มความภาคภูมิใจด้วยเธอสคะเอาเลยเธอเอาเลยเอาเลยเราให้พรข้ อ, อนี้เราให้ตั้งแต่นั้นกาศพระสวามีแล้วก็ทํานมนสมครามาเรื่อยๆตลอดม า, อาไปหมดทั่วประเทศแล้ว ได้สายใจแต่ว่าพระสามีบุญน้อยกันเลยได้สวรรคตไปก่อนเนี่ยแต่ว่าสมเด็จญาได้ตักตวงอาบารมีมากมายเพราะฉะนั้นบารมีของสมเด็จญาจึงล้นฟ้าล้นแผ่นดินทีเดียวละบารมีสมเด็จญาเจ้าป่าชาเขาไปหมดทุกคนทุกแห่ง ในประเทศไทยจังหวัดไหนไม่ได้ไปไม่มีไปช่วยทำบุญสุนทานยกเท่าว่าวายรากาหรืออะไรทำโบสถ่างวิหารจากตลาดการเรลเรียนจากสุขศล า, ล า, ล า, ล า, ลานาใหม่เจอะแยะสถานที่โรงเรียนต่างๆสมเด็จย่าทำายต่างๆอย่างนีนน้ได้ทำสาใจหรือยาม เมือ่อใกล้ๆชวนจะสวรรคตแล้วหลงพ่อชวนหนักแล้วยังสั่งกับลูกๆไว้อีกว่าหลูกเอ๋ยแม่ได้ศาลไว้แล้วนะ น, นัน่นนั่นแม่สารไว้แล้วเไดยทําไว้แล้วหากแม่ล่วงลับไปแล้วป็ะจ อ, อยาทอดซิงเขานะจงดูแลให้ฟ้าผ้าแผ่นดินออยาไปดูถูกเขาเลยเขาอยากจนจริงๆ แม่ไปสัมผัส ด, ดูแล้วทุกคนทุกแห่งขอให้ดูแลเขาต่อไปนะแม่รวยเถอะเป็นไงแล้วอย่าลืมคึ้นพวกไปเถอนี่พระท้าษระสิโบโมราพิสารนกะันว่าเป็นไงแล้วอย่าลืมขึ้นพวกไปขั้นไปเพราะอมเป็นได้เพรยูโดนเดนี่ยพราะยูน่านเระ่ะ่ะ กัวร้านันว่าไว้อย่างนั้นนี่เป็นหมากระสัดกริงก็ลืมคุณใบ ฟ, ฟ้าผ้าเป็นดินแล้วตัวเองก็อยู่ไม่ได้ต้องอบัลลังก์พังลงมาบัลลังก์พังลงมาเพราะลืมคุณใบ ฟ, ฟ้าผ้าเป็นดินมีหลายประเทศแล้วเป็นเจ้าฟ้าเจ้ า, าเป็นดินลืมไฟฟ้าผ้าเป็นดินแล้ว อ่าพระราชฎรบัลลังก์กพังลงมาไม่คงคนสาวอนอยู่ได้เหตุที่พระเจ้าเป็นดินของเราพระเจ้าอยู่หัวของเรามีพระราชฎรบัลลังก์พระราชสมบัติมั่นคงขอเพราะไฟฟ้าข้าเป็นดินเทิดทูลบูชาเป็นพิเศษเอไม่นี้กษัตริย์คงได้ดีพมหากษัตริย์ในประเทศไทยเท่านั้น ที่ใฝ่้าาเป็นดินให้ความจงรักภักมีเป็นพิเศษจริงๆเอาตายแทนได้เลยนะไปจะไปดูถูกพระมหากษัตริย์คนคนนั้นมันเคาะไ้ยแล้วครไปดูถูกสถาบันทั้งสามก็อยู่ยากเหมือนกัน ส, สถาบันชาติสถาบันศาสานาสถาบันพระมหากษัตริย์เหล่าเนี้ย ถ้าใครไปดูมินทินแครนเยียนยามสถาบันทั้งสามนคนคนนั้นมันจะข้อร้ายเอาไว่าย่างนี้บรรลาชาวพุทธทั้งหลายก็ว่ากันอย่างนั้นใครมาลบ ด, ดูดูถูกศาสนาที่เราเคารพนับถืออยู่คนคนนั้นมันข้อร้ายแลวเว้ยเออมันข้อร้ายแล้วไม่ดีแล้ว ไอมาเหยียบยามพมากระดัของข้าข้านี่และจะแลกชีวิตกับมันข้ามสมข้าไปก่อนเขาจงรักภักดีขนาดนั้นเออดะาความจงรักภักดีไม่ลืมคุณขึ่นกันละกันเรียกว่ากูารดูคทิธรรมมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเขาจริงจังแล้วเขาต้องเขาจริงเาจังนั้นในการลนลงกัน อนุรักษ์ชาติอนุรักษ์ศาสนาอานุรักษ์พระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีอย่างเสียสละชีวิตเลือดเนื้อจริงจังเขาทําได้ไม่ต้องว่งไม่ว่ากไกลนี่คนที่รักชาติทั้งหลายเป็นไว้แต่คนที่จะกินชาติของ่ชาติเขาอาจจะไม่ให้อยากจะดูแลไม่ ไม่รับผิดชอบเลยก็ได้มันขัดพอเขาไม่ได้กินไม่ได้เก็บไม่ได้ทำไม่ได้ขอบไม่ได้โคยไม่ได้โคงไม่ได้กินขัดพอเขาเขาพย่ยามจะหาทางตัดเขาอย่างนี้เขากำลังจะบ่อนทำลายเพราะพุทธศาสนาอยู่ออกหนังสือพิมพ์ต่างๆหน้าหน้าหลายอย่างโอ้ย สัมปติสัมปปัญนะวะเขาาจะล้มล้างพระพุทธศาสนาหวางแผนทำต่างสิ่งใดที่ทําให้จิตใจประชาชนขาดความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาจะปกปั่นสิ่งนั้นขึ้นมาปั้นสิ่งนั้นขึ้นมาปฏิบัติการลวงโลกเข้าเอามาฉายให้ประชาชนได้ดูประชาชนผู้โง่เข่าวะญิยา ข้าไม่ใส่ใผมคิดเทตผลก็เชื่อเขาเอาเลยแต่มาจงเกียดจงชังศาสนาของตัวเองผมี้อันนี้ต้องใช้ยุทยวิธีพิเศษหน่อยพวกเราต้องพยายามดีๆช่วยกันกรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำซ้ำเติมได้เลยอย่างได ส่วนก็คุณเจา้าปฏิบัติธรร ม, มวีนัยเคร่งครัดอยู่ก็ต้องเทิดทูนบูชานั้นดังที่เราทำกันมาอยู่แต่ว่าองค์ใ ด, ดย่อหยอนต่อธรร ม, มวีนัยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราค่อยเกียวกันเล่าน้อยๆแน่ะอย่าไปพูดมากผมไว้ก่อนไ ป, ไปตามระเบียบก็เด้เอทำไปดีม่ดีตรงนี้ไปตามระเบียบจาไยา่มีเรื่องเกิดขึ้น เอาโ์ไปถึงสาวโว์ไปถึงหูประจาจนมองว่ากไ็ไม่ดีไม่ดีเรื่องอย่างนี้อย่าพายลิงเกนอ่าเรียกว่าอ่อย่าสาวใสให้การจินเออเอาเฉพาะภายในของพวกเราจัดการภายในของพวกเราถกเสียงกันจนประชาชนได้ยินทั่วโลกแล้ว เอาแล้วก็เป็น่อนด์กำไลของพุทธศาสนาเหมือนกันอันนี้พระคุณเจ้ากำไลหนักอยู่แล้วตรหนักว่าจะช่วยรักษาชีวิตได้รักษาสัพย์สินรักษาชาติศาสนาด้วยชีวิตจริงๆตระหนักอยู่แล้วจะปฏิบัติตอนอุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง เสียสลามาแล้วทั้งที่มาอุตสาหพยายามเป็นธุระภาละตั้งสลาหรือตั้งวิหารที่จะทำเป็นโบสถ์กันอยู่เร็วๆ เ, เนี่ยก็เป็นนักเสียสละกอได้นะถึ้งจะทำได้อย่างนี้ถ้าไปเป็นนักเสียสละจริงๆแล้วก็คงจะ เอ็นเงินเอ็นทองมาแล้วก็าอาจจะเก็บจะทาจะปอบจะโปยจะโผเอาเงินเราทองสึืขาลาไปแล้วก็าอาจจะเป็นได้สําหรับผู้ที่จะเก็บจะทาจะป อ, อบจะโปยจะโผ จ, จะกินวันนี้ไม่เล็นนักเสียตลาดนักเสียตลาได้บานหนึ่งสลึงหนึ่งก็ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวรวมไปหมดในบาทในสลึงไปอย่างนี้ยกตัว อ, อย่างหลงตาหมาบัว เป็นตัว อ, อย่างนั่นเป็นผู้ที่เสีย ล, ละลายจริงๆริงจริงจังไม่เก็บไม่ทำไม่ฟอกไม่โปรยไม่โปงไม่จินชาติวานเมืองได้อย่างได้ประชาชนประสบนิคทรของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดท่านเป็นห่วงใยเหมือนพี่เหมือนน้องร่วมชาติร่วมท้องเดียวกันถ้าหากชาติเป็นอย่างไรไปล้มละลายไปแล้ว อีน้องของเราก็จะเดื อ, รอดร้อนเพราะฉะนั้นเราควรจะช่วยชาติได้ที่ดีไหนดีคิดไปคิดมาเราวทได้บรรลุขึ้นในเรสมองเอา้าทอดฟ้าฟ้าช่วยชาติเด็กเราไม่เอาจะช่วยชาติได้ทองคาก็ออออเอาได้ดงินล่าก็เอาได้เงินก็เอาเอาทั้งนั้นแต่เงินที่ได้มาทองที่ได้มาทั้งหมดนําเข้าช่วยชาติให้หมด เออเาเราจะประการะเลยเราจะเป็นผู้แกนนำเป็นแกนนำถือธงใจลำหน้าพาปฏิวัติกิเลกกันเนี่านางเทติที่ฟังมานานแล้วแต่ญาติโยมไม่ได้เอาจิงเอาจำคำมันสักทีว่าวันนี้จะพาญาติพาโยม เ, เอาจิงเอาจำพระพุณเจ้าวัดวาต่างๆอาจจะเห็นด้วยเขาเล่อเอาอ า, อาจจะเสียตลา ถ้าคู่ไม่เก็บไม่ทำไม่ออกไม่โปยไม่โคงไม่จิน้นคงจะร่วมมือกับเราแน่นอนอาวัตรำด่างไปว่าทำวายุดเดือหมานิกายไม่ว่าวัดบ้านวัดป่าได้ประเด็นกำลังกันจริงๆรงวมกันจริงๆก็ จ, จ, จะเป็นค้อนใหญ่ค้อนโต ข, ขึ้นมาใด้เป็นหลายร้อยตันขึ้นมาหลายพันตันขึ้นมาไหลทองคำเป็นหลายพันตันหลายหมื่นตันขึ้นไป ข้อเป็นขาอที่จะประกันพิมพ์ธนวัตรได้เป็นหลักประกันพิมพ์ธนวัตรได้เป็นตั้งหลายแสนล้านพันล้านเ อ, อหลายร้อยล้านล้า น, า น, านขึ้นไปพิมพ์ออกมาแต่ละคั้นพอใช่นี่ใช่สินะเรศปานเมืองก็จะไม่ล่มไม่จมทราบพัฒน์กำลังกันจริงๆรางยามวางวันเรายังคิด ต้บัตรบ้าข well, ึ้นมาเหมือนกันนะถ้าเรามีเงินมีทองเยอะๆจะช่วยหลงตูหลงตาวิธีไหนดีถ้ามีเงินเยอะๆล้วจะไปซื้อทองคำในประเทศไทยเนี่ยร้านทองอยู่ไหนมีซื้อเอาหมดซื้อเอาหมดเอามายกหล่อหลอมเข้าเป็นทองคำยกเข้าไปช่วยชาติซะเลยไม่ให้มีในร้านทองไม่ให้มีขายแต่ร้านทองในประเทศไทย เราจะภาคภูมิใจว่าเราเองจะทาได้อย่างนั้นหรอวะจะคิดสมบัติว่าเราไปเองเนาะเนี่ยถ้าได้อย่างนั้นก็จะดีเพราะจะได้ยากโยมเพราะเราก็หาเช้ากินข้ า, า, า, าวลำบากอยู่อยากจะทําอยู่แต่ว่ามันมีความตันหนีเหนียวเหนียวแน่นหัวงแข็งอยู่ในใจมันก็เลยทําไม่ได้ย ห, หยิบระฆังฟางแล้วก็หยิบ หยิบขึนมาเอาสวะเอาสวเออลูกเกิดมามันจะได้อะไรเป็นสมบัติอีกละเอาไว้ให้มันเป็นมรดกแค่สอนให้ลูกจะมีทีเหนียวต่อไปก็ไม่รู้อะไรก็ได้เจ็บกาไว้ถ้าสตกปาสงหาเขาจากนี้เพราะ่ะนตัวทานัางเทติน้ำมันกินของฟ่วงมากนะ กินความกว้าง ม, มากเพื่อต่องการให้หัวศพผัวศิการญาติโยมทั้งหลายได้่ากิเลสชนิดนี้ร่วมกับหลวงตามาหาวัวกันเออเอาด้เออเอากันไนเอากันดิมีอยู่มีกินอยู่มีใช้มีสอยอยู่เงินทองมีพอใช้พอสอยผ้ามีพอนุ่งพอถืออาหารการกินได้ทำไรไรนาอิ่มคงปีอยู่ เราควรจะรวมกับท่านบ้างอคำลอง น, นี่หาโอกาสร่วมกับท่านบ้างก็เรียกว่ามีสท้าร่วมกับท่านได้าตามมัจยาสายวะเพื่อขัดเกากิเลสทิลเจโลกมันเขรธรรมนี้ให้เบาให้วางไปจิตใจของเราเบาบางไปจากจิตใจของเราตัวโลกมัเขรธรรมนี้ มันพาให้เป็นคนยากคนจนต่อไปถ้าเสียสลเดเยอะามากๆแล้วเข้าเป็นอริยทรัพขึ้นมาเป็นกฐาแท่เติมกับวไปสีหลังลั ก, กติแนีพ่อที่ของถมให้รักษาศีลให้ถึงความบาริสุทธิ์เดอ้ออย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ที่มีชีวิตเป็นอนคาสอย่าพอใจแต่สองที่ตายแล้วเอา น, นั่นไม่วาป่เาเรามีปรรัญญาเราหาซื้อของตายแล้วมากินไม่บาปยมบาลไม่ลงโทษ อ, าาอ่ายมบาลจะลงโทษต่อเมื่อเราไปเชื่อเขาจริงๆไปทุบหัวเขาจริงๆอันนั้นเราปฏิเสธไม่ได้อันนี้เราไปเจ็บเอากันเลยวาลาซากตอก สัตว์ที่ตายแล้วทั้งหลายมาทําชาปณกิจให้เฉยๆมันจะมีโทษตรงไหนนะเราไปเจอเจออยู่ที่ตลาดทุกแผน่นอยู่เป็นพวงเป็นวันเป็นกิโลก็มีเป็นตัวก็มีมันแข็งอยู่มันตายแล้วแต่ไปหาเ่าของเรนนั้นมาทําชาปณกิจให้เขามาต้มยําทําแกงมาปิ้งมาทอดอะไรก็แล้วแต่แล้วไปยกออกไป ให้พระวิจุสามเนงเป็นผู้ช่วยเก็บกะเลวลาบซากกองรานเอาไปลงในช่วงในฐานให้เออมันไม่มีโทษแต่อย่างใดอันนี้ก็เหมือนดังข้อเปรียบนี้ก็เหมือนดังไอพวกปอเต็กตึ่งที่เขาเก็บกะเลวลาบซากกองที่เขาฆ่ากันหญิงกันตายอ่าเป็นจํานวนมากหรือจํานวนน้อยถูกไฟครอบตายเป็นจํานวนมากหรือจํานวนน้อย เขาเก็บมาทังนั้นเขาเก็บมาทังนั้นเก็บมารอญาติอาญาติไม่มีเขาไ่จัดการเผาให้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้พิพากษาที่ไหนไปตัดสินความให้เขาติดคุกติดตารางมีบ้างไหมมีบ้างไหมเอ่ยนอมีไห้น้อถ้าผู้พิพากษาไปตัดสินความพวกปอเต็กเให้ติดคุกติดตารางก็เข้าใจว่าผู้พิพากษาคนนั้น อ่บาะะบา้าแล้วว่าบ้าผู้พิภสาผู้พิพภากษาบาะะ้าแล้วว่าแล้วนันอ่าอันนี้อยู่เหมือนกันแหละเราไม่ได้ฆ่าตั์ตัดชีวิตกันอย่างใดแต่เรากินเนือ้อเราหาเก็บเอาของตายแล้วมาทำํำชาปนกิจให้เขาเฉยบริสุทธิ์ปูนฟองเราใช้ปัญญาของเราหาของบริสุทธิ์มากินก็ดีมาทำบุญก็ดี ไม่ได้ฆ่าตัดตัดชีวิตอะไรเลยเป็นทานนางเมบริสุทธิ์ธรรมแน่เลี้ยงชีวิตก็เป็นสัมมาอาชีวะจริงจังดีแล้วยมภวานคนไหนเลยจะมาตัดสินความให้เราไม่ตกนรกหมกไหมมีบาไงไหมตายยมภวานคนไหนตัดสินความให้เราไม่ตกนรกหมกไหมด้วยความบริสุทธิ์ถึงขนาดนี้ ก็ยมบาลว่าเดอไม่ได้เป็นคนดีเลยเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยเลยเรากินของบริสุทธิ์ผุดฟองไม่เลี้ยงชีวิตโดยการเปลี่ยนเพียนชีวิตสัตว์มาเลี้ยงอัตภาพหลับายจะยางได้ไม่มียงบาลคนใดจะมาเหยียบชีวิตเราไล่เราไม่ลงโทดเราไล่เราให้ปัจจัยอย่างนี้ เป็นทานลังเมฆบริสุทธิ์แท้ทานบริสุทธิ์แท้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสของตัวเองได้แท้แน่นอนสีหลังลักพาติดารลักพาสิานไม่ถึงความบริสุทธิ์ปุตตองก็เหมือนกันตายวาจาใจไม่มีโทษเกิดขึ้นจะอย่างไรเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆตายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมา เ, เป็นโยมก็เป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกันนะ เป็นพระโสดาบันบุคคลสักกิทาภาอาณาขาคินมาญาณนานวิสาสามหาลวณิมาปอเป็นตาลยาเจ้าแล้วท่าเป็นเกศปีโนรมมาเป็นผู้วริสุทธิ์บุตรปองมาต่านเป็นเกศปีอย่างนี้เนต้นสีลังรักติช่วยท่านให้เป็นผู้บริสุทธิททาาทท์ท่านนางท่านก็ได้สีลังลักติท่นก็ไดชต่อเมื่อท่านมาภาวนาท่านก็อะไรจิตใจเบาบาง ลงได้จิตใจเาวางสตาสิ้นจินตานาวนาได้ครบทั้งสามอย่างแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะนะมันดับเลยมันดับมันเรียกว่าอะไรพูดไปพูไปมันดับเรียกว่าการมาพรจรกุศลมันเกิดขึ้นมาได้ จากการกระทำของพวกเรานี้ละถ้ะาถึงควาบริสุธ์นจะเป็นการ ม, มาประจอนผุดสนขึ้นมาได้กรมมาปรกจลังิตจังอุปนังหติเกิดความยินดีปีดาปามโมติโสมนัส ส, สังยาณสัมวยุตังขึ้นมาไม่ได้โสมะนัสเฉยเกิดยาณสัมวยุตด้วยไหววิมยุตตามนี้เป็นตัวยาเพราะย า, ออยานั่น ความมณีชีพเขาผูว้วุฒิทิตนในวันนี้ถึงจะมีเวลาน้อยกว่าตามจงนำไปไข้ควรินิดพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองเถิดเมื่อพิจารณาแล้วธรรมเทศนาที่ได้บรรยายมาทั้งหมดนี้อ่ คนจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีในตัวของตัวได้หรือเปล่าถ้าเห็นว่าปฏิบัติได้จริงแล้วประจงภุษบาพยายามด้วยความไม่ประมาททุกวันทุกคืนประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงความบริสุทธิต์ต่อแต่นั่นก็จะได้ประสบพบเห็นที่ความสุขความเจริญทางทางคดีโลกและทางคดีธรรม ทุกประการได้รับประทานขอให้มาก็อสมควรแก่เวลาเพราะคอมันแห้งแล้วเอวังก็มีด้วยประการละนี